ทราบาว่าเหล่าอริยะบุคคลท่านทราบกันได้ว่าใครถึงขั้นไหนแต่บางสำนักถึงกับกล่าวว่ามรรคผลเป็นสิ่งที่พยากรณ์ล่วงหน้าได้คือทราบเลยว่าใครกำลังจะบรรลุธรรมใครหมดสิทธิ์บรรลุธรรมการพยากรณ์เช่นเนี้ยเป็นไปได้จริงหรือไม่ครับก่อนอื่นขอแก้ความเข้าใจนะครับอริยบุคคล ท่านไม่ได้ทราบเสมอไปหรอกว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหนถ้าอัธยาศัยของท่านกั้นจิตไว้ใช้ดูเรื่องของตัวเองอย่างเดียวท่านก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นเลยต่อให้อริยะด้วยกันมานั่งตรงหน้าถ้าไม่คุยกันหรือถ้าไม่มีเหตุให้ตั้งใจกำหนดดูท่านก็อาจมองเหมือนมองคนธรรมดาคนหนึ่งในคำพีพุทธแสดงเรื่องการอย่างรู้มรรคผลไวในอัญญสูตร ใจความโดยสรุป ค, คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกได้ฌานมีความฉลาดในการเข้าออกฌานกับทั้งมีความฉลาดในจิตของผู้อื่นคือมีความอย่างรู้ที่เรียกเจโตบริยญาณจึงจะสามารถอย่างรู้ได้ว่าใครสำคัญตนผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันตผู้บริสุทธ์จากกิเลสเช่นบางคนสำคัญผิดเพราะเกิดปรากฏการทางจิตบางอย่าง บางคนรู้รอบและตอบถูกท้วนตลอดสายจึงเผลอคิดว่าตนบรรลุธรรมแล้วเป็นตนสรุปคือแค่ระสาวกทั่วไปที่มีความฉลาดในจิตของผู้อื่นก็ทราบได้แล้วว่าใครไม่ใช่แถมเห็นแทงตลอดด้วยว่าไม่ใช่เพราะสำคัญผิดด้วยใจซื่อหรือแกล้งประกาศตนหวังลาบสักการะ แต่การจะระบุว่าใครใช่หรือใครกำลังจะใช่นั้นยากขึ้นไปอีกผมขออธิบายโดยจำแนกไว้เพียงคร่าวเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดเพียงสมข้อตามเกณฑ์ที่ว่าใครบ้างที่รู้ได้และเขารู้ได้อย่างไรดังนี้ 1. คนธรรมดาดาว เ, เอาจากพฤติกรรมและความผุดผ่อง ประเภทเนี้เสียงที่จะผิดมากสุดเช่นอาจเป็นคุณเองที่ฟังรรมมาบ้างและพอทราบว่าจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือการสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากทุกข์และกิเลสอย่างเด็ดขาดฉะนั้นคุณก็อาจจะสอดตาหาพระหรือครวาดที่ประพฤติงามมีความผ่องใสมีความเป็นอยู่ห่างไกลจากเรื่องโลกโลก ถ้าพบแล้วเกิดความเลื่อมใสก็อาจทึกทักว่าท่านน่าจะใช่หรืออย่างน้อยก็คงใกล้แล้วการเดาเอาจากการเห็นด้วยตาหรือด้วยการครบคาสมาคมตามคนธรรมดานั้นเราอาริยะจริงๆท่านไม่ปลื้มหรอกครับเพราะความเชื่อของปุถุชนเป็นสิ่งที่กลับไปกลับมาได้ตามอารมณ์วันไหนพอใจก็ว่าใช่วันไหนไม่สบอารมณ์ก็ว่าไม่มีทาง ส่วนอริยะเกจะชอบให้คนอื่นคิดเรื่องพักนี้เชื่อเรื่องพักนี้คือจะเอาภาพอย่างเดียวขอแค่ให้จำว่าฉันใช่หรือฉันเกือบใช่เป็นพอแต่อย่ามาแอบสอดส่องเรื่องพฤติกรรมว่าสมควรไหมอย่ามาตรวจสอบคุณภาพจิตว่าไปถึงไหนก็แล้วกัน 2. ผู้มีตาทิพย์ที่ฉลาดในนิมิตเห็นนิมิตแสดงวิสัยอรหรันต ประเภทนี้เสียงที่จะผิดรองลงมาก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าภาวะอรหันต์เลงกันที่จิตซึ่งสะอาดปราศจากมนลทินเท่ายองใหญ่ภาวะของจิตดังกล่าวปรากฏเป็นนิมิตในห้วงมโนทวารของผู้มีฌานได้เช่นคนนั่งทางในเห็นเด็กบางรายก็ทำนายถูกว่าจวนสำเร็จพระอรหัตตผลแล้วทั้งที่เด็กคนนั้น ยังแทบไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่น้อยนั่นเพราะก่อนหน้าที่จะเกิดมาเด็กคนนั้นเคยบำเพ็ญวิปัสสนาบารมีไว้มากกระทั่งนิมิตของเด็กปรากฏเป็นความใกล้เบ่งบานบริสุทธิ์หมดจดแต่ปัจจุบันก็มีไม่น้อยที่ฝึกฝนอ่านรัศมีกายหรือออราเพื่อเห็นแสงสีต่างๆที่แผ่ออกมาจากกายมนุษย์ พวกนี้อาจอาศัยการจดจำบางสีเช่นสีที่เป็นทองอมเหลืองสว่างกว้างจะออกแนวนักบุญซึ่งถ้าใช้เกณฑ์ทานองนี้มาชี้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอริยบุคคลก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากออราเป็นรัศมีที่หยาบเกินไปไม่ใช่แค่เห็นแล้วจบต้องศึกษาและอ่านขาดว่าสีต่างๆสัมพันธ์กันอย่างไร และต่อให้คนอ่านขาดก็ไม่อาจใช้ตัดสินแน่แน่ว่าใครผ่านการบรรลุมรรคผลขั้นไหนแล้วเพราะการบรรลุมรรคผลแต่ละขั้นไม่ได้ตกแต่งรัศมีกายให้เหมือนกันหมดนอกจากนี้ขอให้เข้าใจด้วยว่าผู้มีตาทิพย์ล่วงประสาทมนุษย์นั้นแม้อาจเห็นนิมิตของจิตที่ใกลหมดกิเลสได้จริงก็อาจบอกไม่ถูกว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าตนอยากเป็นพระอาหารหันต์ต้องทำท่าไหนอย่าไปเข้าใจนะครับว่าถ้าเห็นของคนอื่นได้ก็แปลว่าเป็นอย่างเขาได้ 3. อริยะบุคคลที่ได้ฌานและฉลาดในจิตของผู้อื่นประเภทนี้เสียงที่จะผิดได้น้อยเพราะตนเองผ่านมาแล้วทะลุกรอบจำกัดแบบปุตุชนมาแล้ว ตัดโซ่กิเลตที่ผูกมัดจิตไว้กับความเห็นผิดขาดแล้วดังนั้นเห็นใครจึงอ่านออกบอกถูกว่าคนคนหนึ่งยังยึดแน่นหนาหรือเบาบางเพียงใดมีสิทธิพ้นจากความเป็นปุตุชนได้เหมือนตนหรือไม่ระดับพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้ตั้งแต่เช้าตรู่ของทุกวันว่าวันนี้มีใครถึงโอกาสแห่งมรรคผล รู้ว่าจะอาศัยอุบายใดให้เหมาะกับบุญเก่าของแต่ละคนเพื่อทำให้เข้าถึงมรรคผลโดยง่ายพูดง่ายๆคือขนาดยังไม่เจอหน้ากันก็ทายถูกแล้วว่าใครจะบรรลุหรือไม่บรรลุวันนี้พรุ่งนี้คุณจะเข้าใจวิสัยการล่วงรู้ของอริยะบุคคลได้ชัดขึ้นหากทราบว่าภพหรือภาวะแห่งกายใจชนิดต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า เหล่าสัตว์มีความทยานอยากเป็นเครื่องผูกใจเมื่ออยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็น น, น, น, นี่จึงกอบกรรมดีบ้างชั่วบ้างส่งผลให้ได้ไปสวยพบที่เหมาะสมกับกรรมของตนจะหลุดพ้นไปจากพบไม่ได้ตราบเท่าที่ยังประกอบกรรมดีกรรมชั่วอยู่เหล่าอริยบุคคลผู้เป็นสาวกมองตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็เห็นจริงตามนั้น คนส่วนใหญ่มีตันหาชุ่มอยู่ในวิญญาณยังไม่รู้ตัวว่าตกเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแห่งเหตุผลยังนึกว่าอยากพูดอะไรก็พูดได้อยากทำอะไรก็ทำได้ไม่เป็นไรไม่มีความถูกความผิดติดตัวพวกเขาจึงได้ชื่อว่าสร้างแดนเกิดใหม่เรื่อยไปด้วยความหลงยังห่างไกลจากมรรคผลยังห่างไกลจากความสิ้นภพยังห่างไกลจากการเข้าถึงที่สุดทุก ต่อเมื่อใครมีตัณหาน้อยลงคืออยากได้นั่นได้นี่น้อยลงอยากเป็นนั่นเป็นนี่น้อยลงวันๆมีแต่ทวนกระแสความอยากฝึกเลิกยึดมั่นกายใจว่าหน้าใครเลิกยึดมั่นกายใจว่าเป็นตนก็ย่อมมีสิทธิ์เป็นอิสระจากภพชาติได้ในวันหนึ่งอริยะบุคคลอาจเห็นนักปฏิบัติธรรมบางคนมีจิตอันใกล้ยกขึ้นจากลมแล้วเหมือนรากแก้วของพืช ที่หยั่งลงไปในภพเริ่มถอนขึ้นมาเรื่อยๆจนเกือบพ้นจึงย่อมทํานายถูกว่าอีกนิดเดียวขอเพียงออกแรงถอนต่อไปพืชย่อมพ้นขาดเป็นอิสระจากพื้นแผ่นดินเป็นแน่แท้อริยะบุคคลยังเห็นเหตุเห็นผลด้วยว่าจะถอนรากไม้ใหญ่ต้องไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแต่ต้องอาศัยทั้งแรงดันจากเบื้องล่างคือบุญเก่าและแรงฉุดจากข้างบน คือบุญใหม่ทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ต่างก็เป็นไปในทางเดียวกันคือทานศีลและการเจริญสติเห็นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอริยบุคคลผู้เชี่ยวชาญในการรู้วาระจิตเห็นและจำแนกมาจนเจนจะแยกแยะได้ทีเดียวว่าแม้ความอยากก็แตกต่างกันในแต่ละคนบางคนทยานมากบางคนทยานน้อย บางคนสมอยากแล้วยึดแน่นบางคนสมอยากแล้วอยากปล่อยพูดง่ายๆคือคนบารมีมากจะอยากแค่ชั่วคราวแม้แรกอยากจัดแต่ก็ปล่อยเร็วถ้าจะให้กำหนดวันเวลาบรรลุแน่นอนได้ถูกก็ต้องมีอนาคตังสยานประกอบอยู่ด้วยเป็นความสามารถกำหนดรู้ตามเงื่อนไขปัจจุบันว่าถ้านักภาวนาเหลือความยึดมั่นประมาณนี้ จะได้กระทะเปลือกโมหะโลงรู้นิพพานอันพิสุทธิ์ได้ในวันไหนเดือนไหนส่วนคำถามคือรู้ได้ไหมว่าใครหมดสิทธิ์บรรลุธรรมนั้นอันนี้ก็อาจเห็นต่างๆกันไปเช่นถ้าอริยะบุคคลท่านเรียนรู้ทฤษฎีมาครอบคลุมท่านก็อาจตรวจดูด้วยจิตว่าคนที่อยู่ตรงหน้าตนเคยประกอบอนันตริยกรรมไว้หรือไม่ อนันตริยกรรมที่ทำได้ในสมัยนี้ได้แก่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือเป็นพระที่ทำให้หมู่สงแตกแยกหากพบว่าใครเคยทำอนันตริยกรรมมาก็จะเห็นว่าอนันตริยกรรมนั้นปรากฏเหมือนทางตันหรือเหมือนเครื่องขวางประตูไปสู่สวรรค์นิพพานคืออย่าว่าแต่หมดสิทธิ์ถึงมรรคผลกระทั่งเกิดใหม่ในสุคติภูมิก็ไม่ได้แล้ว แต่แม้อริยะบุคคลท่านตรวจไม่พบเครื่องขวางอย่างอนันตริยกรรมท่านก็อาจมองที่อุปสรรคข้ออื่นและสำคัญว่าคนคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมก็ได้กรณีตัวอย่างซึ่งเป็นที่เล่าขานกันมากเห็นจะได้แก่พระมหาปันทกท่านบวชแล้วสำเร็จอรหัตผลส่วนน้องชายของท่านนามว่าจุลปันทกเป็นผู้รู้ช้าท่านจึงไล่กลับบ้าน โดยไม่ทราบว่าพระจุลปันถกก็มีสิทธิ์ถึงซึ่งพระอรหัตตผลเช่นเดียวกับท่านร้อนถึงพระพุทธองค์ต้องมาส่งช่วยยับยั้งไว้มิให้ศึกกับทั้งประธานอุบายอันตรงกับอัธยาศัยของพระจุลปันถกพระจุลปันถกจึงสำเร็จอรหัตผลตามพี่ชายได้ซึ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระพุทธองค์แล้ว ไม่มีใครตัดสินวิสัยแห่งการบรรลุธรรมของผู้อื่นได้อย่างครอบคลุมหรอกครับหากคุณยังมีชีวิตยังมีโอกาสอยู่อย่างนี้ก็เพียรเข้าไปเถอะอย่าสนใจเลยว่าจะถึงหรือไม่ถึงกันเมื่อไหร่รู้เฉพาะตัวไปเถอะว่าแค่เริ่มออกเดินก้าวเดียวเป้าหมายก็เขยบใกล้คุณเข้ามาก้าวทันทีแล้ว ดาวจะไม่พลาแสง